วิธีปฏิบัติเป็นการทบทวนการปฏิบัติหรือเป็นการทบทวนอารมณ์ของพวกเราตั้งใจฝังแล้วก็จดจําไว้เราปฏิบัติเป็นอย่างนั้นแล้วหรืออย่างหรื อ, อยังไม่ได้เป็นเราก็ต้องรู้ว่าเรายัางไม่รู้เรายัางไม่เข้าใจแต่เรารู้เพียงคําพูดเข้าใจเพียงคําพูดจิตใจเรายัางไม่เป็นอีกอย่างหนึ่งบางทีรู้คําพูด เข้าใจคําพูดจิตใจก็เป็นด้วยก็เป็นนั้นแปลว่าให้ตั้งใจฝังการปฏิบัติแบบนี้มันเป็นวิธีการมันเข้ากันได้กับหลักปฏิปทานสี่หรือมันเข้ากันได้กับอย่างที่ครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าสอนให้มีสติกําหนดรู้ในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่ยืนเดินนั่ง น, นอน เขานั่งกันยังไม่พอท่านยังให้มีสติเข้าไปกับหุดรู้ในไียบุ ย, ย้อยคู่เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้รู้ท่านสอนเอาไว้อย่างนั้นบัดนี้บางคนไม่มีวิธีการไม่เข้าใจในคำพูดคำสอนเหล่านั้นก็เลยมาทำเป็นยังหวะใหเรานั่งพระเพียกก็ได้นั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้นอนก็ได้อันนี้ก็ได้ แต่ว่าเวลาเดินนั้นเอามือกอดหน้าอกไว้หรือเอามือคุ้ยหลังไว้มันเข้ากันกับหลักสติประธานสี่หรืออริยบุตรทั้งสี่นั่นเองพูดถึงสติประธานสี่ท่านพุทธบว่าให้มีสติกำหนดรู้กายญาณุปัสสนานคือสติประธานสี่กายญาณุปสัสสนาให้มีสติดูกายได้กายเวทานานุปัสสนาให้มีสติดูเวทานานในเวทมา จิตตานุปัสสนาให้มีสติดูจิตในจิตธรรมานุปัสสนาให้มีสติดูธรรมในธรรมเราไม่เข้าใจบางคนบางคนก็เข้าใจคําพูดอันนั้นผู้มีปัญญาคุ้กับการภาษาอะเรียนแปลนั้นอาจจะเข้าใจแต่เข้าใจแต่ใจยังไม่เป็นก็มีเป็นอย่างไรบัดนี้วิธีที่พวกเราทําเนี่ยเดินจงกรมเอามือกอดหนะ้า อ, อกไว้ทําจังหวะแล้วเอียงท้ายเอียงขัวก็ให้รู้ กุ่มเลยก็ให้รู้แต่ไม่ให้แกงแขกเวลาเดิจนจงกรมเนี่ยเอามือกอดหน้า อ, อกไว้หรือเอาคั้วหลังไว้ให้รู้ทําแล้วมันจะเป็นยังไงทําแล้วมันเกิดปัญญาอันนี้เป็นวิธีทําให้เกิดปัญญาข้อแรกรู้จากรูปนามนี่เองเกิดปัญญาขึ้นมาพอแล้วรูปในกรางกายนามที่มันรู้จักรูปกับนามมันอาศัยซึ่งกันและกันการเคลื่อนไหว ถ้าหากไม่มีจิตมีใจคือคนตายเนี่ยมันก็เคลื่อนไหวมันก็ไม่รู้เดีย๋ยวรูปกับนามน้ํานั่นเนี่ยมันเคลื่อนไหวรูปนั่นเคลื่อนไหวไม่ได้เด่๋่วรูปกับน้ําที่อาศัยซึ่งกันและกันเรียกว่ารูปน้ําำรูปทำน้ำทำมันพิกขึ้นรูปกับหัดพิกขึ้นมาเนี่ยรูปทำแล้วน้ําก็ทำไปด้วยรูปทำน้ำทำรูปโลกน้าโลกเกิดมาแล้วก็ต้องจิตหัวปวดท้องเป็นไข้เป็นหนาเป็นอะไรก็าตามเนี่ย รูปเป็นแล้วใจก็ไม่สบายอันนี้รูปโลกนามโลกอันวันนี้นั่งสบายนอนสบายไปไหนมาไหนก็สบายไม่เจ็บหัวไม่ปวดท้องจิตใจมันคิดขึ้นมามันมันคิดบุกขึ้นมามันตอบหรือมันเกลียดเ น, นี่ยจิตวิญญาณเป็นโลกอนนี้มันก็เป็นทุกข์เนี่ยว่าทุกข์ทั้งสองฐานเนี่ยอย่างเคลื่อนไหวไปมาก็เป็นทุกข์เดี๋ยว่าทุกข์ขัง ทุกเพะมันติดอยู่กับรูปนิลเองแงกออกจากกันไม่ได้เนี่ยทุกครั้งอันนี้จังนั่งนานๆหรือไม่นานก็ได้มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนในเรืยอบทนั่นเองเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทิพตาหายใจนึกคิดเนี่ยเป็นอนนีจังอนัตตาบังคับบังตาไม่ให้มันเคลื่อนมันไหวไม่ให้มันแหงมันตึงมันไม่ได้ยว่าพัฒนาไม่ได้ตัวนี้มันเป็นไปตามธรรมชาติเราต้องพัฒนาตัวใจคุณ เี๋อนัตตาบังคับบรรช า, าไม่ได้บัด น, นี้สมัยทุกต้องกำหนดรู้สมุทัยต้องละมักต้องเจริญนิโรธทําให้แจ้งบัด น, นี้ทุกต้องกำหนดรู้คือมันรู้ตัวเคลื่อนตัวไหวตัวนี้สมุทัยต้องละตวั iper. วมันนึกมันคิดนั่นเมื่อเรามาอยู่กับการเคลื่อนไหวตัวนี้มันจะหยุดเองมันสมุทัยต้องละมักต้องเจริญมักต้องทําให้มากทำบ่อยๆทําไม่หยุดมักต้องเจริญ นีิโลธทําให้แจ้งรู้แจ้งรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ข้าวรู้ข่ารู้สมมติสมมติเนี่ยรู้แจ้งรู้สมมติรู้จริงๆสมมติถีสมมุติเทวดาสมมุติพระพุทธรูปนือสมมติเพื่อนฝูงอะไรก็ตามหลือเงินทองเสื้อผ้าไรนาลูกสวนเหล่านี้เป็นเป็นสมมุติขึ้นมาแต่สมมติบัญญัติเส้นสมมติบวชแล้วก็ศึกศึกแล้วก็บวชนี่ก็เป็นสมมติ สินห้าสินแปดสินสิสินสองร้อยสิน 200, สามร้อยเป็นสินสมมุติสมมุติอยู่กับสังคมต้องให้รู้เนี่ยวรู้ให้ครบให้จุบให้ข่วนถ้าหากรู้น้อยมันก็เกิดมีความสงสัยเนี่ยวรู้ให้ถึงรู้ใหถึงเมื่อแท้มาจริงๆริงสิ่งที่สมมุติเนี่ยท่านจุดเดียวว่าใบไม้ในป่ากับใบไม้แห้งในกรมือเนี่ยแต่ใบไม้แห้งในกระมือเนี่ยมันเป็นยา ใบไม่ในปากก็เป็นยาแต่จะไปเลือกออกมาใส่ได้ทั้งหมดยังไงไม่ได้เอาเฉพาะแต่เรารู้ทุกครั้งอนิจจังอนัตตารู้สมมติพระนิกาใส่ได้แต่ว่าเราให้มันมีคนมาถามอให้รู้อันนั้นเป็นเป็นสมมุติยอดสมมุติบัญญัติปรามัดบัญญัติอัทธะบัญญัติอริยบัญญัติสมมุติขึ้นมากับบัญญัติขึ้นมาเป็นตัวบทกฎหมายผู้ใหญ่บ้านกำนันตำรวจทหารสิบกีสิบโทสิบเอก บอไปอย่างนั้นพระสงฆ์ก็บวชเข้ามาแล้วประทุกสมมุติเช่นเดียวกันสมมุติให้เป็นเจ้าอาวาสสมมุติให้เป็นเจ้าคณะตำบลสมมุติให้เป็นเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคเจ้าคณะแขงไปอย่างนั้นสมมุติเท่านั้นก็ยังไม่พอสมมุติเข้ามาอีกภาคหนึ่งก็สมมติให้เป็นพระครูเป็นเจ้าคุณเป็นพระราชฎเป็นพระเทพและเป็นพระธรรม เป็นสมเด็จไปอันนี้ก็สมมุติเมืองกันแต่สมมุติบัญญัติเราให้รู้จักถ้าเราไม่รู้จักแล้วก็ไปติดสมมุติอันนั้นเนี่ยคุณว่าอารมณ์มันวั่นไหวถ้าเรารู้จักเรื่องสมมุติเขาให้แล้วเขาทอดก็ได้เขาไม่ให้แล้วก็แล้วไปเนี่ยเขาว่าอย่างนั้นอันนี้เลยว่ารู้จักเรื่องของคนเรื่องของคนมันเป็นยังีิแต่หน้าที่ต้องปฏิบตัติแต่ให้เลือกเอาอี่ให้รู้จักความเป็นคน เกิดมาจากพ่อจากแม่ก็เป็นคนติเลยจิตใจยังไม่รู้จะเป็นคนได้ทำไมเลือกเอามาใช้กับชีวิตตัวเองไม่ได้ก็ไม่ใช่คนอันนแต่เป็นคนแต่ให้รู้จักอันนี้เลยแหละความเป็นคนโอ้มันอยู่ที่ตรงนี้มันสับสนวุ่นวายสลับซับซ้อนเนี่ยความเป็นคนเรื่องของคนเรื่องของคนมันเป็นอย่างนั้นให้เราเห็นให้เรารู้ให้เราเข้าใจหน้าที่ของคนต้องปฏิบัติตามหน้าที่ เมื่อเขาสมมุติให้กขาต้องปฏิบัติไปเนี่ยว่าให้รู้จักสมมติอย่าอย่าไปติดสมมติทันว่าอย่างนั้นเมื่อรู้จักสมมุติดีแล้วเราก็รู้จักศาสนาศาสนาก็แปลว่าคําสั่งสอนของท่านผู้รู้ให้รู้เรื่องอะไรก็ตามมาสอนคนให้คนละซั่วทําดีเรียกว่าศาสนาศาสนาจึงแปลว่าคําสั่งสอนของท่านผู้รู้ตัวคนทุกคนก็เป็นตัวศาสนาเพราะสอนเข้าตาสอนเข้าหู ให้ตายเห็นหูฟังจดจำเอามาไว้ทำดีแต่ไม่ทำชั่วอันนี้เป็นศาสนาพุทธศาสนานำมาพลิกมือขึ้นขั้วมือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังเอียงซ้ายเอียงหัวก้มเงยพลิกตาอ้าปากหายใจเข้าหายใจออกกืนน้ำลายเข้าไปในลำคอเนี่ยมันรู้สึกตัวเมื่อรู้สึกมากขึ้นมากขึ้น เกิดญาณปัญญาอันนี้แหละเป็พุทธศาสนาพุทธะจึงแปลผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมบัดนี้เราไปไหนมาไหนนั่งไหนนอนไหนอยู่ที่ไหนก็ตามก็อยู่ด้วยธรรมะเนี่ว่าเห็นธรรมะรู้ธรรมะเี่ยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราอันนี้เห็นธรรมะเห็นจริงๆหลับตาก็รู้ลืมตาก็รู้เนี่ยพุท ธ, ธาศาสนาให้เราเข้าใจอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแต่นี้ เมื่อลูกพุทธศาสนาครบจบท้วนดีแล้วก่อนตรงลู่บาบบาบก็คือมืดบาบก็คือไม่รู้บาบก็คืองโง่นั่นเองทั้งหมบุญแบบเนี้ยบุญคือเรารู้บุญคือสว่างบุญคือดีใจแบบนี้รู้แล้วก็ดีใจไม่เก้อเขินอันนี้รู้ภาคต้นเรียกว่าเป็นภาคต้นเป็นปฐมเลิกก็ได้แต่ไม่ใช่เป็นปฐมฌานเป็นปฐมเลิก รู้อันนี้ผิดไปจากนี้ก็แสดงว่าไม่รู้ตามเรื่องนี้การปฏิบัติแบบนี้ต้องรู้เรื่องนี้แล้วก็เกิดมีความรู้ขึ้นมาบ้างเดินไปเดินมามันมีความรู้มันอยากพูดอยากคุยอยากไปสอนคนนั้นอยากไปสอนคนนี้นนเกิดปีติเกิดมากขึ้นมาขึ้นก็นหลงตนลืมตัวไปแล้วบนางเป็นวิปัสสนาอุปกิเลสที่ตรงนี้จําไว้เมื่อเรารู้อย่างนี้ดีแล้วก็อย่าไปติดอารมณ์มันดีใจก็ปล่อยไปเลยทําความเพียรทําความรู้สึกตัวให้มาก เป็นการทบทวนอารมณ์ให้มันรู้จริงๆเดินไปเดินมามันคิดปุ๊บให้มันอยู่กับผมรู้สึกหลวงพ่อพูดให้ฟังบ่อยๆว่าทีแรกมันเหมือนกับแมวตัวน้อยหนูตัวโตพอไดีหนูออกมาแมวมันไม่เคยกลัวมันกระโดดจับเลยโดดจับหนูมันตื้นมันก็วิ่งไปแมวก็ติดหนูไปอันนี้ก็เหมือนกันมันคิดทีแรกมันไม่คิดมากเท่าไหร่พอดีมันคิดเราเข้าไปใน่วามคิด ไปวิภาควิจารณ์อันนั้นอันนี้อันนั้นเป็นวิปัสสนูแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ตอนแก้ปัญหาตัวเองได้คือรู้มาถึงบาปบุญนี่และอันนี้แหละการแก้ปัญหาตัวเองตอนมันรู้จักนอกตัวเราไปแล้วแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้อันนี้หลวงพ่อเข้าใจอย่างนี้ที่ว่านํามาทบคนที่ว่าเปิดอบรมเปิดแล้วบ น, นี้เปิดแล้วแสดงว่าหงายของที่คว่ำของที่ปิดมีเกี่ยวอัดแน่นอยู่นั่นหลวงพ่อ หรือว่าใครก็าตามเนะี่ยมาเปิดมาเปิดก็มาไขามางายหนะ้าขึ้นให้เรานี่กคอบรมอบรมกับมาซีแนะแนวทางตามความจริงอบรมแปลว่าซีแนะแนวทางให้เดินไปทางนี้อย่าเดินไปทางนั้นเดี๋ยวอบรมอบรมแปลว่าซีทางให้เข้าใจให้รู้ตามคําแนะนํานั้นเนอบรมดังนั้นเมื่อรู้อันนี้เราก็เกิดความรู้ขึ้นมาเราปล่อยความรู้นั้นให้หมด อย่าไปอยู่กับความรู้อันนั้นให้มาอยู่กับความรู้ติมันคิดมาก็รู้มันคิดมาก็รู้รู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้แบบนี้รู้แล้วแบบนี้ก็เกิดควมรู้ะนิดหนึ่งแต่เกิดยานปัญญาห่ตัวนี้ไม่ใช่รู้เอาเองนะนี่ยเกิดยานปัญญาหรือปัญญายานเกิดขึ้นรู้จักวัตถุเห็นเข้าใจสัมผัสแนบแนอยู่กับวัตถุอันนั้น แต่วัตถุไม่ใส่เสื้อผ้าเงินแต่เราเรียกว่าให้ปิดวัตถุซือมันแสดงตัวมันออกวัตถุมันต้องแสดงตัวมันออกมามันต้องรู้วัตถุหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างพอดีรู้วัตถุแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นวัตถุทั้งนั้นที่มันมีนะในโลกนี่เรียกว่าวัตถุทั้งหมดขวไม่เลวเดี๋ยวพอพูดเนี่ยขัวทั้งหมดเลยวัตถุเดี๋ยหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างปรามาัตหมายถึงขุนจริง กำลังเห็นกำลังเป็นกำลังมีกำลังรู้อยู่เรียกว่าเป็นปรมาสต์อาการสภาพความเปลี่ยนแปลงดังนั้นชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเื่เรารู้จักโอ้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยรู้จักงเนี่ยอาการจึงแปลความเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นจะเป็นวัตถุภายนอกก็ตามจะเป็นวัตถุภายในก็ตามต้องรู้จักอาการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นอาการสภาพความเปลี่ยนแปลงจะเป็นโลกก็ตามเป็นธรรมก็ตามท่านบความเปลี่ยนแปลง เมื่อเห็นรู้อย่างนี้คก็เห็นรู้เข้าใจคนใดมีโทสามากก็ต้องรู้โทศะเห็นโทศะเข้าใจโทศะสัมผัสกับโทศาแนบแน่นคนใดมีโมหามากก็ต้องเห็นโมหะก่อนรู้โมหะเห็นโมหะเข้าใจโมหะสัมผัสกับโมหะแนบแน่นกับสิ่งเหล่านั้นคนใดมีโลภามากก็มันไม่เหมือนกันนะคนนี่นี่ว่านึกใสนึจริตทันวาอย่างนั้น มีโลภะมากก็เห็นโลภะก่อนเห็นก่อนเห็นรู้เข้าใจสัมผัสแนบแน่อยู่กับโลภะนั้นแต่ว h e เห็นทั้งหมดทั้งสามนี้เห็นเห็นจะเป็นโมหะโลภะโทสะก็ได้จะเป็นโทสะโมหะโลภะก็ได้จะเป็นโมหะโทสะโลภะก็ได้แต่ว่าเห็นเห็นอันใดอันหนึ่งขึ้นมาเห็นแก็สัมผัสแนบแน่กับสิ่งเหล่านั้นอันนี้เป็นเป็นวิธีการอันนี้จึงรู้อันนี้แต่ก่อนนั้นไม่เคยรู้รู้ แต่มันไม่เห็นมันไม่เข้าใจใจมันไม่รับรู้มาทําอย่างนี้มันรู้นี่ว่ารู้ตามเห็นตามเข้าใจตามเมื่อเห็นอันนี้แล้วก็เห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาไม่ทุกสัญญาไม่ทุกสังขารไม่ทุกวิญญาณไม่ทุ ก, ทกอันนี้เป็นอารมณ์หนึ่งนี่เรียกเป็นปฐมมาเลิกเป็นปฐมมาฌานสานเข้าไปรู้ไม่ใช่ว่าสารแล้วเหาะไปเนีย่ย พาหานะ่ะเขาเรียกว่าฌานเหมือนกันฌานเียว่าขนสง่งความเป็นพระเกิดขึ้นที่ตรงนี้ใครจะพูอย่างไงกับานถ้าเห็นจริงก็ต้องรู้จริงดูท่านนี้อ๋อหลวงพ่อนุ่งกางเกงเขานั้เป็นพระได้แล้วน้ําหนักร้อยกิโลนี่หลวเพราะว่าผัดสลัดตูมไปทันทีเลยแปดสิบกิโลนี่หลวงแกมันมืดเนี่ยังไปไม่ได้แต่รู้จักแล้ ว, วาเราเป็นพระได้แล้วอ๋อมัอนเดินกลับไปกลับมาไม่นาน เพราะจากพิพตานี่เนี่ยไม่นานก็เลยเห็นรู้เข้าใจกิเลสตัณหาอุปทานกับนี่สี่ข้อเนี่ยเวทนาเป็นลูกเป็นทั้งลูกทั้งนามสัญญาเป็นลูกเป็นทั้งลูกทั้งนามสังขารเป็นลูกเป็นทั้งลูกเป็นทั้งนามบิณญาณเป็นลูกเป็นทั้งลูกเป็นทั้งนามอันนี้วะรูปสี่เนี่ยก็จะขันห้าแล้วอันนี้ แลื้อบัญญัติเก่ยวกิเลสตัณหาอุปทานคำก็มีสี่ข้อด้วยกันออสิลปรากฏขึ้นมาที่ตรงนี้มีศิลแล้วบัญญัตมีศินไม่ใช่สินห้าสินแปดสินสิบสินสองร้อยสินสามร้อยอันนี้สินที่พุทธานุพุทธังสามะสีดทิถิผู้ตัศโลตามพระพุทธเจ้ามีสินและทิฏฐิเสมอกันอันนี้แปลว่าได้ต้นทางได้กระแสพระนิทานได้กระแสจิตก็ว่าได้ แต่ทางใจเนี่ยไม่ใช่ทางเดินทางเขา้าทางนี้นะใจมันเดินไปได้บัดนี้มันรู้จากทางไปนี่ทําไมจึงไม่รู้เนี่ยการให้ทานก็รู้ไม่ได้การรักษาศีลก็รู้ไม่ได้หลวงพ่อคนอื่นอาจจะรู้ได้การทํากรรมฐานหลวงพ่อทํามาหลวงพ่อไม่รู้เมื่อมาทําอย่างนี้หลวงพอรู้เข้าใจหลวงพ่อจิงว่าเออหลักการอันนี้มันเข้ากันได้กับหลักการที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้มีสติกําหนดรู้ ในอิเรียบทุทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนขูเหยียดเคลื่อนไหวเอ้หลักการอันนี้มันก็นเข้ากันได้พวกเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนั่งนิ่งไม่ได้เนี่เป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เลยรู้จักมรคลขึ้นมาโอ้เป็นพระแล้วอริยมร์อริยผลมันซ้อนกันขึ้นมาเลยนี่มรคนเนี่ยเขาเรียกกันว่าพระโสดามร์พระโสดาผลพระสกิทาคารมีมร์พระสกิท า, าคามีผลพระอนาคามีมร พระอนาคามีผลพระอรหันตามรักพระอรหรันต์ผลมันเป็นลูกเข้ามายว่าเราศึกษาให้รู้จริงๆถ้าไม่รู้จริงๆ จ, จะไปคาดคิดเอามันไม่ได้ดังนั้นภิกษุจึงแปลผู้เห็นไถ่เห็นอันตรายเห็นความผิดพลาดยิ่งภิกษุแปลผู้เห็นไถ่จะน้อยอย่างนั้นเราก็เลยมาเข้าใจเรื่องอาบัติปราชิกทันทีหลวงพ่อทำข่าวนั้นรู้จักจริงๆรู้จักและไม่หลงไม่ลืม เห็นแล้วแนบแนบอยู่กับเสี่งปราศึกบ้านหลวงเขาเรียกปราศึกนางซึ่งก็ปลาซิกกันาศึกตามตําราว่าเสพเมถุนหนึ่งลักของเขาหนึ่งเศพเมทุนภิกษุเสพเมถุนต้องอาบัติปราศึกขาดจากความเป็นภิกษุเป็นภิกษุไม่ได้นี่ยตาราไว้ลักของเขาหนึ่งราคาห้ามาศภิกษุลักของเขาราคาห้ามาศขาดจากความเป็นภิกษุเป็นภิกษุไปไม่ได้ มาสกนึงก็ยี่สิบสตางค์ห้ามาสกก็กดีร้อยสตางค์เห็นว่าอย่างนั้นตำรานะอันนี้พูดอย่างนั้นนีะยรักของเขาหนึ่งว่าท่นราคาห้ามาสกเนี่ยค่าจัดวหนึ่งว่าท่นเนาะคันในคันนอกคันก็าตามในคันก็าตามค่าสัตว์ขาจากคมเป็นทิกษุเป็นทิกษุไม่ได้พูดอวดอุตรีมนุสสาธรรมคือทำอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตน ขาดจากคมเป็นพิกษุเป็นพิกษุไม่ได้อันนี้ตำลาพูดอย่างนั้นแต่ควรจริงหลวงพ่อเข้าใจเสพเมถุนก็หมายถึงเราอยู่ด้วยโทสะโมหะโลภะอยู่ด้วยกายไม่เห็นแจ้งนี่เองนี่ว่าเสพไปมาอยู่ด้วยโอ้อาเสวณนาจพาลานังมันเข้ากันได้เลยอาเสวณนาจพารานังอยู่กับคุณพ า, านพาราไปว่าคุณพานพารานะบันดิตตานั้นจะเสวนาเนี่ยมันมาเข้ากันหลักได้นึ่ อาเสวนาอนนงเสวนาอยู่ตอนนี้มันเสวนาปูสาจา่าปูสาดีหยลังเอตมังคลังมุตตมังเราไม่เข้าใจเลยเดินนั้นในขณะหั้นผก็เข้าใจอย่างนี้บัณฑิต ก, ก็คือสติสมาธิปัญญาหรือความรู้สึกตัวนี้เองอันคนผ่านภายนอกเกเลกินเหล้าเมาสุราเล่นการพา น, านันอันนั้นเป็นคนผ่านภายนอกคนผ่านภายในนี่ทําไมไม่รู้ เราลุกมันก็ลุกด้วยนอนมันนอนด้วยไปไหนมาไหนมันไปนําด้วยเดี๋ยววัตถุมันเป็นวัตถุเหมือนกันบัณฑิตานั้นจะบันเนี่ยผู้ศึกษาเราเรียนมามากเราจะไปอาศัยอยู่กับท่านไม่ได้การทํามาหากินอาเซบของคนไม่เหมือนกันเราก็เลยรู้จักจโอตัวคมรู้สึกตัวนี้เองเป็นบัณฑิตรู้สึกตัวมากขึ้นมานสามารถรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงนี่เนี่ยว่ะ พุทถานุพุทางสามะสีระทิฏฐินผู้ตัดสู้ตามพระพุทธเจ้ามีศินและทิฏฐิสมัคมีเหมือนกันเข้าใจเหมือนกันอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนั้นจึงว่าท่านตัดเอาไว้ตัดทั้งหลายคือเราตถาคตตัดทั้งหลายเหมือนเราตถาคตตัดทั้งหลายเป็นตถาคตเป็นยังไงคือยังไงเหมือนยังไงเราต้องเห็นต้องรู้ต้องเข้าใจอันนี้เรียกว่าเป็นสาวกพุทธะ ตามทางไปหาพระพุทธเจ้าเดี๋ยวจะเลินลอยตามไม่ใช่ตามหอยอนอย่างที่ท่านนางนะจะเลินตามวิธีที่ของท่านธรรม่ะรับรองได้อั น, นเนี้ยว่าไม่พลาดเลยเก็บรับรองตัวเองนะคนอื่นจะไม่รับรองเหมือนกันนะ่ะเดี๋ยว่าไม่พลาดที่ตัวเองทํามาเพราะมันเป็นได้เนี่ยแล้วพวกก็เลยเข้าใจว่าน้ําสีจะเป็นสีดําสีแดงก็ตามเต็มกระปอ๋องเอาไปย้อมผ้าขาว มีคุณภาพร้อยเปอรเซ็นทีแรกกเราไม่รู้เนี่ยผ้าน่าจะไตาตามสีได้ทั้งหมดเลยถ้าเป็นสีแดงผ้าขาวก็ต้องแดงหมดเนื้อมันเลยถ้าเป็นผ้าอผ้าขาวเป็นสีแดงผ้ามันก็ดำหมดเนื้อมันเลยอันนี้แสดงว่ามันเกิดโทสะมาก็เต็มที่โมหะโลภามันขึ้นมาเล่นงานเต็มที่ทําบุญให้ทานรักษาศีลเท่าใดก็ตามโอดมาทีเดียวไฟใบบานหมดแล้ว หลวงพ่อเข้าใจยางนั้นวันนี้เราไปนั่งอยู่บ้านหลังนั้นฝนตกกะเปียกมาแดดออกก็ร้อนโอ้การทำบุญให้ฐานรักษาศีลมากเท่าเด็กก็ตามมันทนทานไม่ได้มันจะเป็นของเทียงแท้ถาวรไม่ได้เมื่อไม่เห็นอันนี้โอ้เนี่ท่านว่ามั่นคงถาวรไม่เปลี่ยนแปลงโทสะถึงมีกระน้อยบัหนึ่นักเลยมาเปรียบให้ท่านได้ฟังมาพูดบอยแล้วยางเนี่ยแต่คนไม่เข้าใจ บัดนี้น้ำสีเต็มกระป๋องคุณภาพมันไม่ค่อยมีแล้วจะเป็นสีดำสีแดงก็ตามเอาไปย้อมผ้าขาวไม่ติดเลยติดก็ติดน้อยที่สุดแต่ลางน้าออกได้สบายอันนี้น้าทากับน้ามันอาศัยซึ่งกันและกันอยู่ด้วยกันแต่ไม่รับผลกันได้อันนี้รับรองได้อย่างนั้นจริงหรอรับรองตัวเองเป็นผ้าได้แล้วนุ่งกางเกงขานั้นผมก็ยาวเออควรมเป็นผ้าอันนั้นมันเรื่องสมบอันนี้เรื่องเป็นประมาท ก็ยังเอาสมมติมาพูดนี่ที่หลองพ่อพูดเอาสมมติมาพูดให้ฟังได้เอาปรมัดมาพูดเป็นสมมติจึงว่าเอาสูงบ้างต่ำบ้างจึงว่าสมมุติคืออย่างพระครูเจ้าคุณพระราษฎรพระเทศพระธรรมอันนั้นเอาเอาเรื่องนี้แหละไปพูดเป็นอันนั้นเลื่อนซันทางจิตใจอันนี้เลื่อนซันทางให้ยศให้เกียรติให้ลาบกันอันนี้มันเป็นเองควรมเป็นเองมีอยู่แล้วในคนทุกคนไม่ยกเว้น จะเป็นพระสงฆ์ก็ศึกษาอย่างนี้จะเป็นโยมก็ศึกษาอย่างนี้จะเป็นผู้หญิงผู้ชายศึกษาอย่างนี้ทั้งหมดถือศาสนาไหนนุ่งผ้าสีอะไรละที่ใดก็ตามศึกษาอันนี้แหละทําให้อันนี้แหละมั่นคงถาวนเดียวเป็นผู้ทําให้หลักพระพุทธศาสนามั่นคงเนี่ยว่าลักซาลักศาสนาลักพระมหากษัตริย์จะว่ายังไงก็ได้เนี่มันเป็นเรื่องสูงพวกมาพูดแต่ความจริงคันเมื่อเห็นอันนี้แหละความอ่อนน้อม จิตใจจะลดลงทันทีผมกล้าหารน่ะจะมีความอ่อนน้อมมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาวางเถยได้บางครัง้งบางค่าวมีมากรทันทีเลยรู้เลยอันนี้แหละเรียกว่าขั้นต้นการเดินทางไปหาพระพุทธเจ้าแต่รู้อย่างอื่นนั้นไปไม่ถึงหลวงพ่อไปไม่ถึงรู้อันนี้หลวงพ่อไปถึงเพราะพระพุทธเจ้าอันนี้เนี่ยว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเรา จะจับสายจีวรหรือนิ้วมือนิ้วเท้าเราอยู่ก็ไม่เห็นเราเพราะไม่เห็นทำเราไม่ได้ไปเห็นพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียพูดนะหลวงพ่อเคยทํามาแล้วเนี่ยทํากับอาจารย์นั่งภาวนาพุทธโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหลับตานั่งขัดสมาธิขัธรรมะเพชรพูดนะเอามือเออเอาเท้าค่อยกันน้องซีเดานึกเอาพระพุทธเจ้าเข้ามาไว้ในหัวใจมาไม่ได้พระพุทธเจ้าองค์นั้นมาไม่ได้พระพุทธเจ้าองค์นี้มาได้ องค์ที่เห็นองค์ที่รู้เนี่ยยังวะจิตของผู้ใดตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่งอนแงนไม่ขอนแขนต่อโลกกะระทำทั้งหลายจิตของผู้นั้นไม่ใช่ว่าจิตพระพุทธเจ้าคนเดียวนะจิตของผู้ใดเนี่ยก็หมายถึงทุกคนมีเหมือนกันเลยตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหวไม่งอนแงนขอนแขนต่ออารมณ์หรือโลกกะระทำอารมณ์ก็หมายถึงคขมสมคขมลินทาว่าร้ายนี่แหละ ไม่วันไหวต่อสิ่งเหล่านั้นเดี่ยว่าโลกกระทำโลกนี่มันเป็นอย่างไงเรื่องของคนเนี่ยเรารู้จักให้รู้จักจริงๆถ้าหากไม่รู้จักจริงๆริงเราจะสับสนวุ่นวายเราก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ของคนถ้าเราเป็นคนต้งเลือกคัดจัดหาเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นมาใส้กับสิ่ของเราจริงๆถ้าเราไม่รู้จักควรมเป็นคนไม่รู้จักเรื่องของคนไม่รู้จักหน้าที่ของคนก่อนเหมือนกับตมกับเลมนั่นแหละ ต้มกับเลนเนี่ยมันมันอยู่กับน้ําแต่ว่าน้ําไม่ใช่ต้มต้มกับน้าไม่ใช่อันเดียวกันเราเห็นน้ํามันขุ่นเนี่ยบ้านหลวงพ่อเลว่าน้าขุ่นเอาสารสมมาอวนเขาแล้วต้มเลยมาจับมันเข้าน้ําก็สะอาดขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเราเห็นแล้วเราแยกได้จะต้องการเอามันมาใส่ก็ได้ไม่ต้องการเอามันมาใส่ก็ทิ้งมันไว้ที่ตรงนั้นเลยเนี่ยจังหวาให้รู้ให้เห็นอันนี้เรียกว่ามีมรมีผล มีทั้งมรรคั้งผลนะหลวงพ่อพูดมาถึงเทเนี่ยอันนี้แหละขั้นต้นที่หลวงพ่า น, นีนนแล้วเป็นปฐมศาสตรมีองค์ห้ามีวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกคตาที่ตรงนี้ถ้าหากไม่รู้อย่างนี้เกิดแสดงว่าปฐมสาสรอยู่ที่ไหนไม่รู้เลยไม่รู้หลวงพ่อไม่รู้รู้จะตำลาทุติยศาสตรยังไม่ได้อั น, นตอนทุติยสาร์เขาต้องตอนเ้าอันนี้หลวงพ่อรู้ตอนแรงหลว ง, งพ่อเข้าใจอย่างไง แต่คนอื่นจะรู้ย่างไดก็ไม่รับรู้ครับคนนั้นคนนี้ตอนเส้าที่แรกเราหลวงพ่อรู้รูปน้ํานี่ตอนแรกลวงพ่อมารู้อันนี้เออนี่เยว่าพวกเรามาทํานี่ระยะสิบวันเนี่ยถ้าหากเป็นคนจริงเป็นข้าวทีหนึ่งแล้วหลวงก็ว่าคงจะไม่พลาดถ้าเป็นข้าวปลายเข้าไม่มีอะไรเป็นข้าวผีนึกอาจพลาดไปได้อันนี้ยังนั่นถือว่าให้เราเป็นข้าวทีหนึ่งจริงๆเลือกเอาไม่เข้าสดสดที่ทํามาเนี่ยไม่เข้าสดสดมาเข้าวลงสี ลงสีจะปัดออกมาเป็นข้าวทีหนึ่งบรรจุเข้าไปในกระสอบเอาไปขายราคาก็ดีกินก็มีรสชาติอันนี้ถ้าเป็นข้าวชีแท้สีเอามาก็เป็นแก่เป็นล้ำไปเลยเนี่ยเอาไปให้ตัดกินนั่นแหะเลือกกินอาหารที่มันเป็นที่ให้วิตามินให้มีโปรตีนถ้าหากเราไม่เลือกกินอาหารที่ไม่มีวิตามินไม่มีโปรตีนมันจะนําโรคร้ายมาใส่ให้เราเราจะเดือดร้อนดังนั้นการเจริญวิปัสสนาภาวนาจิ๋ ทำจริงรู้จริงทําไม่จริงรู้ไม่จริงที่ว่าตั้งจิตตั้งใจะตอนหลังจากการทรําวัดเสาร์วันนี้หลวงพ่อมาทบทวนอารมณ์หรือมาแนะแนววิธีปฏิบัติเรียดซีแนวทางอบรมเปรียดซีทางให้เข้ามาทางนี้ออกไปทางนั้นมันไม่ถูกไม่ตรงเอาแหละที่หลวงพ่อได้ให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตสติใจมาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรเก็บเวลาแล้วท้าที่สุดนี้อาจจะมาพร้อมด้วยประสงค์ และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่หนสถานที่นี้อาตมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคาตั้งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระอาจารตาสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตสกิจใจของพวกเราให้พวกเราได้เจริญรอยตามอย่างที่พระพุทธเจ้าตัดว่าตัดทั้งหลายคือเราตถาคตรัดทั้งหลายเหมือนเราตถาโคตรตัดทั้งหลายเป็นตถาคตข้อที่สี่นี่ว่า สัตว์ทั้งหลายเราพูดเป็นตาขาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจะนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตาขาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจ ะ, จะมีอย่างเราตา่าคตเนี่ยอันนี้แสดงว่าคําพูดคําสอนของพระพุทธเจ้ารับประกันรับรบองดียวไปทางนี้เดี๋ยรู้เห็นถ้าไม่ไปทางนี้ไม่รู้ไม่เห็นจริงๆขอให้ทุกทุกคนจงได้ประสบพบเห็นเอาอันจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบ จิตใจบริสุทธิ์อันจิตใจปกตินั่นแหละ